Book <78. S 3> ท, ทูเจสิมุสตาิตีาคุณศัพท์หนึ่งเซ็ดซารา์ ท, คคาทาวเวบีปีรุเอล r เซ็ทวบ e ผู้หญิงชราหนึ่งคนมมคุติคาลีโมคุติคาลีผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนสุคานิคาลีสุคานิคาลีผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนชโนบิสโมควารีคาลีชนบิสโมควาราี <K> รถใหม่หนึ่งคันอะคาลีมันคานอะคาลีมันคานะรถความเร็วสูงหนึ่งคันสตรัปีมันคานะสตรัีมันคานะรถนั่งสบายหนึ่งคันมูครรบุลีมันคานา มเชร์เคบุลีนคนะชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุดลูรจิกาบาลูรจิกาบชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุดซิเทลีกซิทลีกาบาชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด มัดสวาเน่กบากระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบชาวิชันทาชาวิชันตากระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบชาวิสเปริชันทาคาวิสเปริชันทา กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบเททริชันาเท ท, ทริชันตาคนใจดีหลายคนซาเซียฟโนคาลคีซาเซียโมฟ โ, มโมนคาลคีคนสุภาพหลายคนซรดิโลบิอนคาลคี จบนีคนน่าสนใจหลายคนซเอซอเรขัล e e เด็กน้ารักสกวเรลบ ว, เวบสวรลบ ว, วบเด็กดือ ทาวขดีบาวช่วบีทาวขดีบาวช่วบีเด็กดีตามเจริบาวช่วบีตามเจริบาวช่วบี